ธรรมปัญญายนําสติภาวนาโดยท่านเขมานัน t ะตอนที่7ดทีนี้การพิจารณาที่ลุ่มลึกขึ้นไปคือนอกเหนือความคิดความจำเป็นในการพิจารณาหรือท่าทีในการพิจารณาก็เปลี่ยนไปเป็นการเห็นอาการเมื่อพูดถึงการเห็น การคิดนั้นมันคิดได้คิดเห็นกับเห็นคิดนั้นต่างกันเวลาที่เราฟังคำบรรยายเราคิดเห็นได้พอคิดก็เห็นเป็นตูเป็นตะแต่เนื่องจากความคิดเรียกว่าคิดเห็นแต่เห็นความคิดนั้นต่างกันอันนี้ชัดเจนถ้าคิดเห็นนี้ก็ยังไม่สิ้นสงสัยแต่เห็นคิดนี้ ความสงสัยในกรณีนั้นๆหักแหลกแล้วเปรียบดังนั่งร้านที่เราต่อสลับซับซ้อนได้หักแหลกแล้วเกิดการยุบตัวเหมือนเวลาเราอ่านตำราเราตกอยู่ภายใต้ความคิดว่าเราอ่านพุทธประวัตินั้นเป็นไปด้วยข้อคิดเห็นหลายประเด็นทีเดียวพอหักแหลกก็เหมือนกับการชำระสะสารพอเห็นอาการทางจิต ตามปกติจิตนั้นสุกสนชอบคิดอะไรแผลงแผงมีความเคลือบแคลงสงสัยความสงสัยก็สะท้อนมาจากจิตใจที่ยังลังเลจิตลังเลเพราะว่ายังอยู่ในความคิดพอเห็นความคิดความลังเลก็หายไปความสงสัยก็พังเป็นชิ้นๆรวมไปถึงเรื่องผีสางเรื่องที่ไม่ได้สัมผัสเราสงสัยอยู่ว่าที่เขาเล่ากันมามันเป็นความเชื่อ พอเห็นความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปเชื่อในสิ่งที่ได้สัมผัสลืมสิ่งที่นอกเหนือสัมผัสละลิ้วออกไปนี้เป็นบทบาทของการเจริญสติที่จริงเมื่อพูดถึงกายานุปัสนามันกินสามอันที่เหลือเบ็ดเสร็จเพราะว่าสติตัวเดียวตั้งอยู่บนฐานอะไรถ้าเป็นฐานกายที่เคลื่อนไหวสติก็เริ่มปรากฏต่อเนื่องกันขึ้น บนฐานอันนั้นเมื่อเราพูดถึงสติปัฏฐานสี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีสติสีชนิดมีสติอันเดียวที่ถูกเคลี่ยวกลัมบนฐานทั้งสี่จนเข้มข้นเป็นสมาธิและปัญญาโดยลำดับมันเชื่อมโยงตามกระบวนการธรรมชาติซึ่งเรามารู้ที่กายก่อนเพราะกายเป็นสิ่งหยาบเคลื่อนไหวง่ายดังนั้น คำแนะนำของหลวงพ่อเทียนที่ว่าให้สร้างจังหวะนี้จึงเป็นอุบายที่จะไปรู้เห็นจิตใจที่จริงธรรมชาติของอิริยาบถนี้เป็นจังหวะอยู่แล้วเช่นเมื่อเราจะลุกขึ้นยืนนี่นะก็มีจังหวะมีขั้นตอนของมันเช่นก้าวขาลุกขึ้นยันกลขึ้นคือจังหวะนี้มีอยู่แต่เนื่องจากจังหวะนั้น เราทำจนเคยชินจนกระทั่งเราลืมตัวที่แนะนำให้สร้างจังหวะนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจังหวะจะไปฝืนความเคยชินของเราเราไม่เคยทำจังหวะเช่นเวลาที่เราปลดมือจิตสำนึกเราไม่ได้อยู่ที่นี้อยู่ที่เรื่องตื่นเต้นเราใจเต้นรำหลายจังหวะแต่สติเราไม่ได้อยู่ที่นั่น ถ้าสติอยู่ที่นั่นก็ใช้ได้อยู่ฉะนั้นการสร้างจังหวะจึงฝืนฝืนมันเป็นสิ่งที่แปลกเรามาทำสิ่งที่แปลกไปจากชีวิตประจําวันแต่เป็นสิ่งแปลกที่ง่ายมันทำจิตให้ตื่นเช่นในการเดินถอยหลังนี้จิตจะตื่นทันทีเมื่อเราง่วงๆบอกให้เดินถอยหลังจิตก็จะตื่น นั่นเป็นสิ่งแปลกไปจากอิลียบทเคยชินตรงนี้เป็นอุบายสาคัญอุบายนี้ได้รับการเพิ่มเติมจากกายานุปัสสนานั่นเองแต่ว่าเป็นอุบายที่สอดรับกับการลงตัวมันลงตัวพอดีในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าให้พระจุลปัรธกะเอามือรูปผ้าคีริวเป็นการสร้างจังหวะ เป็นการแก้อารมณ์อันเนื่องแต่พระจุลปันธกะดิ่งในสมาธิเกินไปการรูปผ้าเป็นการถอนจากสมาธิมาสู่สติได้ส่วนกับองค์ธรรมอื่นผลจากการสร้างจังหวะก็คือจิตตื่นขึ้นกว่าระดับเดิมระดับเดิมมันเคยชินมันจะเข้มขึ้นด้วยตรงที่มันเคลียวติดกับจังหวะเพราะจิตเป็นผู้ดูอยู่ พอปลิกมือจิตก็เริ่มตื่นตัวเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวันนอกจากตื่นตัวแล้วมันเข้มขึ้นเพราะเคลียวติดกับจังหวะพอถึงจุดหนึ่งก็ปลดปล่อยทีหนึ่งคำว่าจังหวะคือให้เป็นท่อนพอหยุดจิตก็จะหยุดด้วยตรงนี้แหละเป็นเคล็ดถ้าจะถือว่าเป็นเคล็ดวิชาก็ใช่ ให้ยกมือมั่วโดยไม่มีการหยุดเป็นจังหวะจิตก็ตื่นแต่มันไม่เข้มขึ้นพอพลิกจิตมันรู้พอหยุดตอนนี้แหละสำคัญพอมือหยุดจิตหยุดก็เหมือนกับทั้งโลกหยุดหมดมันกลับเข้าที่ตรงนี้เองที่ว่าทุกครั้งที่หยุดกระตุ้นไปที่หัวใจมันจะบูกอาการบูกเป็นอาการที่ไม่มีความหมายใดๆ เป็นอาการล้วนๆของมันตรงนี้สำคัญเพราะอันนี้เป็นขึ้นมาแล้วมันก็ตายสลับกันอยู่อย่างนี้แหละมันรับรู้กันเองอย่างต่อเนื่องแต่มีจุดหยุดทุกครั้งที่หยุดนี่เองมันจะวูบพอวูบ ก, ก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของการเคลื่อนไหวใหม่ๆ เราจะเจอปัญหาในเรื่องของการเพ่งลูกศิษย์หลวงพ่ออัดหวังดีต่อผู้คนมากประกอบกับอุปนิสัยที่จริงจังจึงแนะนําให้เอาเป็นเอาตายเลยนี่กลายเป็นการเจริญสติแบบเพ่งเลงและมันจะเข้าไปสู่ความสงบนิ่งและพิสดารฉะนั้นการสร้างสติบนฐานของการเคลื่อนไหวที่ท่านเตือนเสมอว่าอย่านั่งนิ่ง ให้พลิกมือเล่นคือให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การคลึงนิ้วมือเล็กๆน้อยๆ น, ยนี้ก็มีอนิสงส์เหมือนกับเชือกเส้นเล็กๆฟันเข้าด้วยกันสามารถล่ามช้างตัวโตๆได้ทำให้จิตไม่มีที่ตั้งที่อิงจิตพอได้ที่อิงมันก็เกิดอีกพอรู้อะไรเข้ามันก็ก่อรูปของความคิดขึ้นให้มันรู้อะไรไม่ได้ ให้มันรู้สึกตัวเมื่อรู้ตัวบนฐานที่เปลี่ยนแปลงพอรู้สึกแล้วมันจะทิ้งเองครั้นนานเข้าแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตเริ่มเปลี่ยนท่าทีคือรู้อะไรไม่ได้นานไม่ติดยึดนั่นเองพอมันคิดคิดเดี๋ยวมันทิ้งเองนี่เริ่มอุปนิสัยใหม่แล้วล่วงภาวะเดิม พบกับความเปลี่ยนแปลงตามวิถีธรรมชาติอย่างน่าแปลกใจสำหรับหมวดที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาในตัวเวทนานั้นเองไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับเวทนามีพระอรหันต์รูปหนึ่งได้ตอบคำถามนักปวดนอกพระพุทธศาสนาว่าเวทนามีสามเท่านั้นเกิด น, นี้ไม่มีเมื่อกลับมา พระพุทธเจ้าตำหนิว่าท่านเป็นผู้รู้แต่ไม่ขว้างพอเพราะบางครั้งก็กล่าวว่าเวทนาเป็นหนึ่งคือเวทนาทั้งหลายเป็นทุก์เวทนาสาคือมีสุขมีทุกข์มีอัตุขะมสุขคือไม่สุขไม่ทุกเฉยเฉยเวทนาหาเติมโสมนัสและโทมนัสเข้าไปด้วยเป็นเวทนาเหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่พิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนตอบมัดตัวอย่างนี้เขาจะตดได้ว่าสาวกพระโคโดมรู้น้อยนิดเดียวความรู้สึกสดสดนี้คือเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์อาจารย์รุ่นหลังเรียกว่าอุเบกขาเวทนาคนละตัวกับกุเบกขาในชาญสี่ซึ่งเป็นอุเบกขาแห่งจิต มีใจความว่าพระโสมนัสและโทมนัสดับไปแล้วแต่ปางก่อนหรือชันสามมีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของอุเบกขาเป็นภาวะสมดุลของมันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวทนาทีนี้เมื่อหลุงพ่อแนะให้จับความรู้สึกตัวสดๆก็จะนำไปสู่ตัวนี้ ซึ่งไม่ใช่ตัวเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกตัวสดๆจะเดินทางในการเคลื่อนไหวด้วยการสร้างจังหวะนั้นจะมีความรู้สึกตัวติดอยู่ในนี้ด้วยทานั่งนิ่งมันจะจมจะไม่ปรากฏอะไรเลยการที่จับความรู้สึกสดๆได้ก็เนื่องจากการสร้างจังหวะมันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างนี้เมื่อสร้างจังหวะมากๆเข้า ความรู้สึกตัวจะเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องกันขึ้นในที่สุดความรู้สึกตัวทั้งตัวจะปรากฏขึ้นทั้งข้างนอกข้างในคนทั่วไปมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ที่รู้สึกไม่ได้ก็ด้วยอำนาจครอบงำของความคิดความคิดเป็นเหมือนลำธารไหลหลากดังนั้นหินในท้องน้ําถึงมีอยู่ก็ไม่ปรากฏคนทั่วไป คิดอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพลังแรงของความคิดนั้นคนทั่วไปจะไม่รู้ที่บอกว่าไม่เห็นคิดอะไรเลยเพราะไม่รู้จากความคิดนั่นเองระับใดที่เรายังต้องการความสงบอยู่มันก็เป็นอุปสรรคทวงรั้งการรู้เห็นธรรมยิ่งขึ้นไปตัวความสงบที่ปราศจากปัญญาคือสงบอยู่ภายใต้โมหะ เหมือนหินทับหญ้าจนงอกงามไม่ได้การภาวานาในพุทธศาสนาก็เพื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงเราจะเอาความหลอกลวงหรือสภาพพิสดารมาเป็นหลักไม่ได้เช่นร่างรู้สึกรอยมันพิสดารแล้วก็ไม่จริงเราต้องมองจากรากฐานความเป็นจริงอะไรที่ผิดจากความจริงอย่าเอาปฏิบัติอย่างง่ายง่ายเพื่อให้พ้นอุปสรรค เพื่อให้มีอุปสรรคน้อยที่สุดไม่จำเป็นต้องรู้บาลีสำหรับนักภาวนาต่อภายหลังค่อยเรียนเอาได้เมื่อจับความรู้สึกตัวได้แล้วปล่อยให้ธรรมชาติพาไปสู่ที่สุดของธรรมชาติเองอย่าพยายามสร้างอุปสรรคขึ้นเราจะกลับไปที่นั่นคือทาดฐานของความเป็นมนุษย์โดยไม่ต่อรองว่าเราอยู่ในยุคสมัยใด ปายทศวรรษที่ี่20นี้ทิศ ท, ทางของอาะยธรรมเชยเออกไปจากความจริงมากการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับการปฏิวัติเงียบมันเข้าไปรู้เห็นสมมุติปรมัตเป็นความรู้สึกจริงแท้ขึ้นมาตามธรรมชาติพอพบความรู้สึกจริงแท้ก็เหมือนกับการปฏิวัติตัวเองเป็นการปฏิวัติความรู้สึกจากที่เคยโกรธเป็นไม่โกรธ เหยโลกหลงกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราจะพบว่าการปฏิวัติเงียบเป็นพลังเงียบเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงเมื่อพลิกความรู้สึกที่ถูกครอบงำด้วยความคิดจนกระทั่งความรู้สึกตัวอีกด้านหนึ่งพลิกหนายขึ้นมาเหมือนอีกด้านของพระจันทร์ดวงเดิมแท้ที่จริงธาตุฐานของมนุษย์นั้นเป็นธาตุฐานเดียวกับโลกแลนะจั ก, กรวาล ดินน้ำลมไฟกระบวนการธาตุอันเดียวกันจิตที่ตื่นแล้วรู้ตัวเป็นอันเดียวกันที่จะรู้จักความงามความสัมพันธ์ความกลมกลืนความงามของโลกความจริงด้านปรมัดมันไม่ง่ายหนักที่จะปรากฏขึ้นสู่การรับรู้ถ้าความรู้สึกตัวไม่พอก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ พอเราภาวนาจนมันซึมซาบเข้าไปก็เกิดการอย่างรู้ถ้าเก็บสายความรู้สึกตัวทุกสิ่งรู้ได้ด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสด้วยความรู้สึกเช่นดินนั้นคืออะไรที่หนักหนักแค่นแค้นแข็งแข็งอาการของมันนั่นแหละคือดินน้ําคือสิ่งที่ไหลซึมซาบเอิบอาบลม คือสิ่งที่พัดผันไม่ใช่เป็นภาพของความคิดอย่างนี้เรียกว่าอย่างรู้เกิดการอย่างรู้คือสัมผัสแก่นธาตุไม่ใช่ความคิดนึกทีนี้เลื่อนมาสู่จิตจิตนั้นมีอาการต่างๆซึ่งสัมผัสได้ด้วยจิตที่สติถูกบูรณาการแล้วจิตมีอาการอย่างไรสติก็ทันท่วงทีอย่างนั้นเมื่อจิตแปรรูปปรับเปลี่ยนธาตุต่างๆ เคลื่อนไหวคิดจิตมีอาการอย่างไรก็รู้เห็นโดยอาการนั้นๆตามธรรมดาจิตไม่มีรูปร่างสีสันมีแต่อาการทีนี้เลื่อนมาสู่ธรรมานุปัสสนาเมื่ออย่างรู้สัมผัสได้คือสัมผัสอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นจิตเป็นใจเพราะว่าตัวมันเองไม่มีอะไรที่เป็นตัวมันเองเลยมันเข้าถึงไหนก็เป็นอันนั้น สัมพันธ์อาการแล้วอาการเหล่านั้นชะลอลงดับลงเราศึกษาอันนี้จนเข้าถึงอาการสุดท้ายคืออาการดับที่เรียกว่ามีโรดนี่เป็นการสัมพันธ์อาการทางนั้นเลยพอเห็นเรื่องไหนก็ดับเรื่องนั้นหมวดที่เรียกว่าอายตนะก็คือเห็นฐานของการเกิดไม่ใช่เห็นผลของการเกิด เห็นฐานที่มันกระทบกันตรงนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะเรื่องอริยศัสตร์เป็นบทหนึ่งในเรื่องธรรมานุปัสสนาเราพบว่านี่ไม่ใช่ความคิดเชิงทฤษฎีพระพุทธเจ้าตัดห้ามสับหัวข้อทุกเหตุให้เกิดทุกทางดับสนิทแห่งทุกค้นทางปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุก เมื่อพิเคราะห์โดยหลักของเหตุผลเหตุส่งผลโดยหลักของวิชาการก็น่าจะสับหัวข้อใหม่คือเหตุของทุกต้องมาก่อนทุกจึงเกิดมักคือเหตุที่ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกคือนิโรธโดยหลักวิชาการนั้นเหตุส่งผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสับไม่ได้ เพราะนี้เป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้โดยตรงอริยสัจเป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้ไม่ใช่ประสบการณ์ของการขบคิดถ้าเป็นการขบคิดเราต้องคิดถึงเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุแห่งทุกข์คือมนุษย์มีตัณหาดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทุกข์นั่นเป็นประสบการณ์แห่งการอย่างรู้ อันเนื่องจากเจริญสติปัฏฐานมาตามลำดับเราย้อนกลับไปสำรวจความรู้สึกล้วนๆอีกแล้วจากความรู้สึกล้วนๆที่มันแปลเป็นความทุกข์นี่เองที่เกิดการอย่างรู้ความทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ความคิดมันไม่ได้เดินหน้าด้วยความคิดว่าอันนี้เหตุอันนี้ผลในเชิงวิชาการความรู้สึกตัวนี้มันนำทางไป เหมือนกับการไปท่องเที่ยวมีพาหนะตัวหนึ่งที่นำทางไปคือความรู้สึกตัวร้วนๆนี้ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรก็จะยิ่งสัมผัสทุกข์ได้ก่อนเท่านั้นก่อนที่จะมานั่งนึกคิดว่ามีเหตุมีทุกข์ด้วยซ้ำไปมันสัมผัสอาการทุกข์ก่อนสภาวะของตัวทุกข์เหมือนเด็กๆ เ, เอามือจับไฟก็รู้ได้ทันทีว่าร้อน เขาไม่มีความคิดล่วงหน้าหรอกแต่รู้ตัวก่อนว่าร้อนก่อนที่จะรู้ว่าถ้าจับแล้วร้อนอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลยสำคัญมากเพราะความรู้สึกตัวล้วนล้นนั้นเหมือนเด็กทารกยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ตัวสภาวะนี้อย่างทันทีเท่านั้นก่อนที่ความคิดจะเข้าไปแรกว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผล ดังนั้นจึงเรียกว่าการอย่างรู้ไม่ใช่ความคิดนึกเชิงเหตุผลเราจะพบว่าการเจริญสติปัฏฐานที่ตั้งต้นตั้งแต่การสร้างจังหวะต่อความรู้สึกตัวบนฐานของการเคลื่อนไหวจนกระทั่งมันรวบรวมความรู้สึกตัวลว้นๆนขึ้นมาได้นะความรู้สึกอันนั้นมันหนักแนทึบอยู่ยังไม่คลี่คลาย แต่จะค่อยๆ ค, คลี่คลายไปตามวันของการภาวนาการปฏิบัตินั้นทำอย่างเดียวไม่มีการยกจิตไม่มีการพิจารณาแต่รู้ตัวเคลื่อนไหวอย่างเดียวเท่านั้นบันเดินทางของมันเองเพราะการรู้สึกตัวนั้นออกนอกความคิดถ้ารู้อะไรก็รู้ด้วยการอย่างรู้ไม่ได้รู้ด้วยความคิดเจาะ จ, จงทีแรก ความคิดนำหน้าคนทั่วไปนักคิดนักวิชาการรู้จักอะไรด้วยการคิดผลรวมของการรู้จักนี้เป็นความหมายเป็นสั ญ, ญลักษณ์เมื่อเราความรู้สึกจนออกหน้าความคิดแล้วก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างเก่าลุ่งภาวะเดิมแต่ความคิดนั้นไม่ได้สูญหายเราไม่ได้ทำลายอินทรียศาสตร์ดังนั้นความคิดนี้ จึงทำความรู้จักทีหลังสัมผัสด้วยใจด้วยความรู้สึกความรู้สึกกับใจนี้เป็นอันเดียวกันความรู้สึกล้นล้วนเป็นอันเดียวกับใจโดยไม่มีขอบเขตการอย่างรู้คือการสัมผัสด้วยจิตใจผู้ที่ออกนอกความคิดแล้วเริ่มเรียนรู้โดยการอย่างรู้มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ความรู้สึกล้นล้วนเพื่ออย่างรู้สรรพสิ่ง ไม่ได้มุ่งที่จะสะสมข้อมูลอะไรอีกความคิดแยกแยะนั้นทำงานย้อนหลังวิเคราะห์ทีหลังมันรู้สึกจากการสัมผัสเท่านั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีความคิดเข้าแทกนั้นไม่ใช่แต่พอสัมผัสแล้วค่อยๆรู้จักทีหลังเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นอันนี้เรียกว่าการอย่างรู้ ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากรู้จักจิตโดยความเป็นจิตรู้จักจิตที่จิตซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ใดๆทั้งสิน้นอาการของการรู้จักตรงนั้นเดี๋ยวนั้นและฉับพลันถ้าไม่ฉับพลันความคิดก็แทรกเข้าไปแล้วในวิธีการอันนี้อะไรที่รู้ร่วงหน้ามันไม่จริงทั้งสิน้นคำสอนของหลวงพ่อเทียนมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์นำเสนอการปฏิบัติที่ไร้อุปสรรคหมายความว่าไม่ต้องละงานไม่ต้องโกนหัวออกบวชแค่เร้าความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นแล้วก็จะทำลายอุปสรรคต่างๆเองคำแนะนำของพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นความจริงแท้สะท้อนถึงแรงเกิดยานทัศนะนั่นเป็นคำตอบว่า รู้แจ้งได้อย่างไรปรับชีวิตจิตใจขึ้นให้สวรคงสวัยได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการเปิดเผยจากใครคนหนึ่งซึ่งไม่รู้หนังสือความคิดไม่อาจเปิดเผยความจริงที่อยู่นอกอำนาจของมันได้พอเราคิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดแต่พอเรารู้ตัวความคิดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา หมายความว่าเราใช้มันได้ควบคุมมันได้เอาชนะมันได้ฉะนั้นยุทธวิธีในการดำรงอยู่ให้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำแทนที่จะเอาความคิดนำพอเราคิดเราไม่อาจดุดพ้นจากอดีตจากแนวโน้มเอียงเก่าๆได้พอเราเข้าใจความคิดเราก็เป็นเหมือนขี้ฝุน่น แล้วแต่ลมจะพัดไปทางไหนสิ่งที่จะนำให้เราเป็นอิสระจากความคิดนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราจะเอาชนะความคิดให้ได้เพื่อจะควบคุมดูแลแลาใช้งานมันถ้าเราเอาชนะความคิดได้ทุกครั้งที่มันทํากิจทุกครั้งที่มันแปลสภาพเราจะรู้เห็นอาการนั้นๆ น, น, นี่เป็นการเข้าสู่ต้นแบบของตัวเอง กลับไปสู่ความรู้สึกตัว